แก้หน้าให้พี่ชายในสมัยนั้นโรงเรียนอยู่ตรงวัดร้างบริเวณป่าสักทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านตาด เมื่อเข้าโรงเรียนท่านก็ตั้งอกตั้งใจเรียนมีความรับผิดชอบสูงจะเห็นได้จากผลการเรียนที่ดีเยี่ยมของท่านคือประถมหนึ่งสอบได้ที่สองประถมสองสอบได้ที่หนึ่งประถมสามสอบได้ที่หนึ่ง การเรียนหนังสือในตอนนั้นก็ไม่ได้มีฝากั้นแบ่งแยกเป็นห้องๆดิดดีอะไรทําให้มองเห็นกันและได้ยินเสียงครูข้างๆห้องสอนหนังสือนักเรียนชัดเจนเหตุนี้เองทําให้มีเรื่องน่าขบขันเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่เรียนหนังสือ พี่ชายของท่านชื่อคำไพซึ่งกำลังเรียนหนังสืออยู่ห้องติดกันถูกครูถามขึ้นว่าคำไพยข้างขาวคืออะไรถูกถามเช่นนั้นพี่ชายของท่านเลยเงียบไปพักใหญ่ เพราะไม่รู้คำตอบทางท่านเองซึ่งกำลังนั่งเรียนอยู่ห้องข้างๆแอบได้ยินเข้าและก็ทราบคำตอบดีอยากจะช่วยพี่ชายให้ตอบคุณครูให้ได้พยายามเอาใจช่วยอย่างเต็มที่นึกร้องตะโกนบอกพี่ชายอยู่แต่ในใจว่าก็อิ ก, กีดังวีกไง อเจียหมายถึงข้างข่าวดังวีกหมายถึงจมูกวิ่นจมูกแหวงทำไมแค่นี้ก็ตอบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมื่ออดรนทนไม่ไหวจึงร้องบอกพี่ชายว่าก็อิจียดังวีกไงอิจียดังวีกพอพี่ชายได้ยินดังนั้น ก็เลยนึกขึ้นได้รีบตอบครูทันทีว่าอีเจียดังวีครับผม